เรื่องแลกเปลี่ยนจีวร510สมัยนั้นพวกพิษุรังเกยียจไม่ยอมรับจีวรแลกเปลี่ยนของพวกภิกษุณีพวกภิกษุณีตําหนิประนามโผนทนาว่าฉไ น, นพวกพระคุณเจ้าจึงไม่ยอมรับจีวรแลกเปลี่ยนของพวกเราเล่าพวกพิกษุได้ยินคำำนําตําหนิประนามโนทนาของพวกภิกษุณีจึงนําความนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ